ผู้ทัวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะกลับมาสู่เวลา 106 นะคะดิฉันสรรศรีหน้าผู้ดำเนิน เป็นเองเนี่ยก็ได้รับนะชื่ออมฤตพจนาพุทธศาสนสุภาษิตโดยท่านเจ้าคุณพระปรมกุณาภรณ์ ป.อ. ปยุตโตมีแปลนะคะแล้วก็สามารถนําเอาไปใช้ วจนะคือคําพูดของพระพุทธเจ้าเอ่อภาษิตน่ะภาษิตก็เป็นหมายถึงคํา อันนี้จะเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยเกี่ยวกับการที่เราจะทําความเข้า 2 คือทําสิ่ง พระสงฆ์ไม่ว่าจะรูปไหนก็แล้วแต่นะจะพูดอะไรออกๆเลยงั้นจะไม่ได้จะไม่ การบัญญัติเป็นหน้าที่ของใครการแสดงธรรมเป็นหน้าที่ของใครนั่นก็คือหน้าที่ของสัมมาสัมพุทธะแต่เป็นผู้บัญญัติเปิดเผย เรเรามีภาษิตอย่างเงี้ยนําเสนออยู่บ่อยๆก็จะทําให้เตือนเราให้ยั้ง ต้นต้นไม่ได้อือก็ยังยังจะเช่นเลยในเรื่องง่ายๆอ่ะในหลักสูตร วันนั้นที่วัดเราเนี่ยตั้งแต่เจ้าอาวาสยันคนวัดและสามเณรทุกคน กระเป๋าสตางสตางค์เก็บโทรศัพท์แล้วทุกคนไม่สนใจใครเลยนะคะทุกอืมๆ ทั้งขําตัวเองได้รู้สึกว่าดีด้วยตอนที่เวลาเราเดินสวนอืมแล้วทุกคนก็บางค่ะเป็นข้อคือเหมือนกับเอ่อ ถ้าเราจะไม่ต้องการให้อะไรเกิดขึ้นนิคุณๆว่าอดไม่ได้อดไม่ได้ที่จะแอบคุยกันบ้างได้เนาะอืมเอ่อส่งโน่น เป็นผลกับการปฏิบัติอย่างแน่นอนนะอ่ะอย่าคุยกันนะแต่ว่าๆอ่ะอืม ก็อยู่ที่บ้านก็ทําได้เหมือนกันทีนี้อ่าเราน้องๆใกล้เคียงกับการที่ไปเข้าซึ่งการปฏิบัติทําได้ การหลีกเร้นกับการปฏิบัติตรงนี้นิดนึงนะว่าเอ่อเนี่ยหมายถึง นะพุทธเจ้าเนี่ยบางทีก็หายไปเลยนะหายไปเลยนี่คือไม่ให้ใครเข้าพบเลยนะบางทีแค่ครึ่งๆวันนะก็จะไม่ บางที 3 เดือนก็มีแล้วก็ไปทําอะไรคืออยู่คนเดียวนะมองไปข้างหน้าข้างหลัง แต่แต่ถ้าคนมาพบเดี๋ยวถามนั่นนี่เอาแค่ว่าไปห้องน้ําเนี่ยนะบางทีมันอย่างยากแล้วก็ 2 เนี่ยพุทธเจ้าต้องการให้ เอ่อซึ่งประเด็นนี้คุณโยมติวถามมาสักครู่คือว่าแล้วที่บ้านเราๆเช่นว่าอาหารเค้าก็<ใช> แต่ถ้าอยู่ที่บ้านเราอาจจะมีภาระอาจแต 3 ชั่วโมงครึ่งวันอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ก็เป็นไปเช่นอาจจะใช่<ใช> แล้วก็พยายามที่จะเมื่อจะว่าเนกาสีละภเตสุขังอือ ซึ่งอันเนี้ยเวลาดิฉันพูดกับเพื่อนทีไรเพื่อนจะๆแบบเนี้ยเป็นพุทโธวัจนะด้วยหรือเปล่าท่านค่ะ นับประญาโอเคพูดถึงความตระหนี่ 7 อย่างนะซึ่งถ้าใครมีความตระหนี่ตรงเนี้ยนะคุณจะไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แน่นะคือความสุข<ใช> เอ่อโดยตัวบทแล้วเนี่ยคงจะต้องไปตรวจสอบเพิ่มใช่มั้ยอยู่ในที่ไหนปรากฏเหตุอะไร เป็นการพูดไว้ที่ไหนอย่างไรแต่ที่แน่ๆถ้าพูดตรง ใช่ๆนะคะก็นมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบุล FM ครอบครัวข่าวแห่ง